ว่าบุญนี้จะดูแลเราจะปกป้องรักษาเราจะทำให้ชีวิตของเรามีความเจริญมีความก้าวหน้าตามลำดับต่อไปเรามีควคมเชื่อว่าหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราก็ต้องออกเดินทางเพื่อไปสู่ โลกใหม่พบใหม่เราจะไปดีหรือจะไปไม่ดีก็อยู่ที่บุญที่บาปเราก็ทำกันในชาตินี้เหมือนกับเราดีไม่ดีในชาตินี้ก็เพราะว่าบุญหรือบาปที่เราทำไว้ในชาติก่อนการทำบุญทำบาปนี่แหละจะเป็นเหตุที่จะทำให้ชีวิตของเรา ดีขึ้นหรือเลวลงพบชาติสมขึ้นหรือต่างลงการมาเกิดเป็นมนุษย์นี้เป็นเหมือนมามาสร้างอนาคต อ, อนาคตก็คือพบชาติที่จะตามมาต่อไปและในขณะเดียวกันก็เรามา รับผลของบุญของบาปที่เราได้ทำเอาไว้ด้วยถ้าเราทำบุญมามากเราก็จะมีผลดีมากกว่าผลเสียถ้าเราทําบุญมาน้อยทำบาปมามากเราก็จะมีผลเสียมากกว่าผลดีชีวิตของพวกเราจึงไม่เหมือนกันบางคนก็ ได้ดิกได้ดีมากบางคนก็ได้ดิกได้ดีน้อยบางคนก็ตกต่ำมากบางคนก็ตกต่ำน้อยทั้งๆ ท, ที่ไม่มีใครอยากจะตกต่ำแต่ทำไมต้องตกต่ำด้วยกันทำไมบางคนเขาถึงไม่ตกต่ำถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าเราก็ต้องเชื่อว่าเพราะบุญเพราะบาปที่เราทำกันมาในอดีตนั่นเอง ทีนี้เราไม่สามารถย้อนกลับไปในอดีตได้เราไม่สามารถกลับไปเปลี่ยนบุญหรือเปลี่ยนบาป ท, ที่เราทำไว้ในอดีตได้เราก็ต้องรับผลบุญผลบาปในชาตินี้กันเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปวุ่นวายกับผลบุญกับผลบาปขอให้เราทำใจสู้เอาไว้ทำใจเฉยเอาไว้ มันไม่นานมันก็ผ่านไปมันก็หมดไปแล้วขอให้เราตั้งใจกันมาทำบุญให้มากขึ้นทำบาปให้น้อยลงเพื่ออนาคตที่จะดีขึ้นต่อไปจะดีกว่าอย่ามาพยายามแก้ผลบุญผลบาปซึ่งเป็นสิ่งที่เราแก้กันไม่ได้ เราทำกรรมอันใดว่าจะดีหรือจะชั่วเราจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นอันนี้คือความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสั่งจึงสอนให้เราให้เราหัดทำใจให้เราทำใจให้เป็นอุเบกขาคือปล่อยวางไม่ว่าผลดีหรือผลร้ายจะเกิดขึ้นก็ขอให้รู้ไว้ ขอให้เอามาเป็นบทเรียนสอนใจให้เรารีบทำความดีกันรีบทำบุญกันรีบละบาปกันจะดีกว่าอย่าไปหาวิธีแก้บุญแก้บาปกันให้เหนื่อยไปเปล่าๆพราแก้ไม่ได้เวลาชีวิตเราตกต่ำก็ขอให้คิดว่ามันเป็นเรื่องของผลผลบาป หรือเป็นเรื่องของความไม่เที่ยงคือทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีการเจริญก็ต้องมีการเสื่อมไปเป็นธรรมดาชีวิตของเราบางทีก็ขึ้นบางทีก็ลงเหมือนเราขับรถบางทีก็ขึ้นเขาบางทีก็ลงห้วยถนนมันเป็นอย่างนั้นเราจะไปทำให้ถนนมันเรียบหรือให้มันขึ้นอย่างเดียวนั้น ย่อมเป็นไปไม่ได้ชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันชีวิตหลังเราบางทีก็ขึ้นบางทีก็ลงเพราะฉะนั้นเวลาขึ้นก็อย่าหลงอย่าไปคิดว่าจะขึ้นไปตลอดเพราะเวลาลงจะเสียใจมากแต่ถ้าคิดว่ามีขึ้นมีลงเป็นธรรมดามันขึ้นก็เพื่อมันจะต้องลงต่อไปมันลงเพื่อมันจะได้ขึ้นต่อไปให้คิดอย่างนี้ แล้วเราจะไม่ทุกข์กับการขึ้นกับการลงของชีวิตของเราถ้าเราอยากจะให้มีขึ้นมากกว่าลงก็ขอให้เราพยายามทำบุญให้มากเพราะการทาบุญนี้เป็นเหตุที่จะทำให้ชีวิตเรารุ่งเรืองส่วนทำบาปนี้จะทำให้ชีวิตเราตกต่ำขอให้เชื่ออย่างนี้แล้วพยายามทำไปเรื่อยๆ อย่าหวังผลจากการทำบุญในภพนี้ชาตินี้เลยหรืออย่าไปคิดว่าทำบาปแล้วไม่ได้รับผลก็จะเกิดความ เ, เิมเกิมขึ้นมาขอให้คิดว่าทั้งผลบุญทั้งผลบาปนี้มันจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนในภพนี้ส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นในใจเราเวลาเราทำบุญเราก็จะมีความสุขใจ เวลาเราทำบาปเราก็จะมีความทุกข์ใจแต่เรื่องอย่างอื่นผ้นอย่างอื่นนี้อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้หรือเกิดก็ได้เช่นเราทำบุญแล้วไม่มีใครเขาให้รางวัลเราทำความดีแล้วเขาไม่ให้รางวัลเราเขาไม่เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งให้กับเราเราก็อย่าไปอย่าไปเสียใจเพราะเขาอาจจะไม่เห็นก็ได้หรือเขาเป็นคนตาบอด เขาไม่รู้ว่าความดีเป็นอย่างไรก็ได้เขาอาจจะเลื่อนขั้นให้กับคนที่ไม่ได้ทําความดีแต่เขาชอบคนนี้ถูกใจกับคนนี้คนนี้เอา อ, อกเอาใจเขาเขาก็อาจจะให้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเลื่อนเงินเดือ น, อนขึ้นเงินเดือ น, อ น, อนให้กับเขาก็ได้อันนี้ไม่ได้เรียกว่าเป็นผลที่เกิดจากการทําความดี ความดีนั้นเป็นผลผลที่แท้จริงก็คือความรู้สึกภายในใจเราเวลาเราทำความดีเราจะมีความสุขใจภูมิใจมีความซาบซึ้งใจอิ่มเ อ, อิบใจขอให้เราเอาตรงนี้ดีกว่าาะมีคุณค่ากว่าการที่จะได้รับรางวัลได้รับเงินเดือนขึ้นได้เลื่อนตำแหน่งความรู้สึกมันจะต่างกัน มันจะรู้สึกดีใจเพียงเดียวเดียวแล้วมันก็จะเกิดความโลภอยากจะได้เพิ่มมากขึ้นไปอีกแต่ถ้าเราทำบุญเพื่อความสุขใจความภูมิใจเราจะไม่เดือดร้อนว่าเราจะได้รางวัลหรือไม่ได้รางวัลและเราจะไม่อยากจะได้รางวัลเพิ่มขึ้นอีกถ้าเราได้รับรางวัลแล้ว การทำผลต้องทำเพื่อตัดความโลภตัดความอยากไม่ใช่ทำเพื่อให้ได้เพิ่มความโลภเพิ่มความอยากเพราะความโลภความอยากนี้เป็นอันตรายต่อใจของเราความโลภความอยากนี่แหละเป็นต้นเหตุของความวุ่นวายใจของความไม่สบายใจของความทุกข no ์ใจของความเสียใจถ้าเราไม่อยากจะเสียใจทุกข์ใจวุ่นวายใจ ก็อย่าไปโลภอย่าไปอยากทำความดีเพื่อให้เกิดความอิ่มเอิบใจเกิดความภูมิใจเกิดความสงบใจจะดีกว่าเพราะนี่เป็นความสุขที่แท้จริงคือความสุขภายในใจนี่คือเรื่องของทำไมเราจึงเกิดมาทำไมเราจึงต้องมาทำบุญละบาปกัน เพราะเราก็เป็นเหมือนชาวนาชาวไร่ถ้าเราไม่ขยันาทาไร่ไถนาปลูกเพาะปลูกพืชต่างๆเอาไว้พอถึงเวลาฤดูเก็บเกี่ยวเราจะไม่มีอะไรเก็บเกี่ยวเพราะเราไม่ได้ปลูกข้าวปลูกต้นไม้ปลูกผลไม้กันไว้แต่ถ้าเราปลูกข้าวปลูกผลไม้ปลูกต้นไม้ไว้พอถึงเวลา เราก็จะมีดอกมีผลนี่คือกฎแห่งกรรมเป็นอย่างนี้การกระทําของเรานี้เป็นเหตุเรียกว่ากรรมผลที่เราได้รับ ก, ก็เรียกว่าวิบากวิบากก็มีทั้งดีและไม่ดีเพราะเหตุที่ทําก็มีทั้งดีไม่ดีทําดีวิบากก็ดีทําบาวิบากก็ไม่ดีทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ัจจุบันทำดีทำบุญวิบากรือใจจะมีความสุขถ้าทำบาปทำไม่ดีใจก็จะมีความทุกข์แล้วหลังจากที่ร่างกายตายไปก็จะต้องไปรับผลต่อไปอีกด้วยทำดีก็ไปสวรรค์ไปเป็นเทพไปเป็นพรหมทำบาป ก, ก็ไปอบายไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรต ไปตกนรกทำแล้วก็จะไม่มีใครยับยั้งวิบากได้ถ้าอยากจะยับยั้งวิบากก็ต้องยับยั้งในปัจจุบันนี้คืออย่าไปทำกรรมที่ไม่ดีถ้าเราไม่ได้ทำกรรมที่ไม่ดีตายไปวิบากที่ไม่ดีก็จะไม่มีดังนั้นถ้าเราอยากจะมีแต่วิบากที่ดี ไม่มีวะไม่มีวิบากที่ไม่ดีเราก็ต้องทำบุญละบาปแต่ถ้าเราดื่อกับการที่จะต้องไปรับบุญรับบาปเพราะว่าถึงแม้จะได้ผลบุญได้เป็นเทพได้เป็นพรมแต่บุญก็มีวันที่จะหมดได้เวลาหมดบุญก็ต้องเลื่อนลงมาถ้าเป็นพรมก็ต้องเลื่อนลงมาเป็นเทพถ้าเป็นเทพก็ต้องเลื่อนลงมาเป็นมนุษย์แล้วก็ต้องม มาทำบุญใหม่มาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายใหม่ถ้าเราเบื่อกับความแก่ความเจ็บความตายพระพุทธเจ้าก็สอนว่าให้เราทำใจของเราให้สะอาดชำระความโลภความอยากที่เป็นต้นเหตุที่จะพาให้เราไปเกิดใหม่ถ้าเราชำระใจของเราให้สะอาดไม่มีความโลภไม่มีความอยากแล้ว ใจของเราก็จะไม่ต้องไปเกิดใหม่อีกไม่ต้องไปรับผลบุญผลบาปไปต่อไปนี่คือใจของพระพุทธเจ้าหน้าใจของพระอรหันต์ทั้งหลายท่านสามารถทำใจรักษาใจชำระใจของท่านให้สะอาดบริสุทธิ์ไม่มีความโลภความอยากไม่มีความโกรธ ความหลงอยู่ภายในใจแล้วใจของท่านจึงสะอาดบริสุทธิ์มีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวมีความอิ่มอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีความอิ่มก็เลยไม่จาเป็นจะต้องไปเกิดใหม่การที่เราไปเกิดใหม่เพราะเรายังมีความหิวอยู่เรายังหิวในรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์อยู่ลองถามตัวเราเองว่าวันนี้ขณะนี้ เรายังหิวกับรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะอยู่หรือเปล่าเรายังอยากดูยังอยากฟังยังอยากลิ้มรส ด, ดมกลิ่นอยากอยากจะสัมผัสกับความสัมผัสต่างๆอยู่หรือเปล่าถ้าเรายังมีความอยากอย่างนี้อยู่แสดงว่าเราตายไปแล้วเรายังต้องได้เกิดใหม่เพราะเรายังหิวยังต้องการอยู่หรือว่าเรายังอยากมีอยากเป็นอยู่หรือเปล่า ยังอยากเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือเปล่าเป็นนายสิบก็อยากจะเป็นนายร้อยหรือเปล่าเป็นนายร้อยก็อยากจะเป็นนายพันหรือเปล่าเป็นนายพันก็อยากจะเป็นนายพลหรือเปล่าถ้ายังอยากอยู่ตายไปก็ต้องไปเกิดใหม่เรายังอยากไม่เป็นอยู่หรือเปล่าเช่นอยากไม่ไม่ตกตางหรือเปล่าอยากไม่ยากจนหรือเปล่าอยากไม่แก่หรือเปล่า อยากไม่เจ็บหรือเปล่าอยากไม่ตายหรือเปล่าถ้าเรายังมีความอยากเหล่านี้อยู่เราก็ต้องไปเกิดใหม่เช่นกันวิธีที่จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ต้องไม่กลับไปเกิดใหม่วิธีที่จะไม่กลับไปเกิดใหม่ก็ต้องไม่อยากแก่แก่ก็ยอมยอมให้มันแก่ไปอยากไปอยากไม่ให้แก่อยากไปอยากไม่ให้เจ็บอยากไปอยากไม่ให้ตาย จะแก่ก็ปล่อยมันแก่ไปจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปจะตายก็ปล่อยมันตายไปถ้าเราหยุดความอยากสามอย่างนี้ได้เราก็จะไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไปและการที่จะดับความอยากทั้งสามนี้ได้เราก็ต้องทำบุญละบาปก่อนถ้าเราทำบุญแล้วเราก็จะไม่อยากจะทำบาปพอเราไม่ทำบาปเราก็จะมีกำลัง ที่จะมาชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ได้การชำระใจเราก็ต้องทำละด้วยการทำใจให้สงบเพราะว่าความอยากนี้เกิดจากความคิดของเราเองถ้าเราคิดเดี๋ยวเราก็จะอยากขึ้นมาคิดถึงขนมก็จะเกิดความอยากจะรับประทานขึ้นมาคิดถึงเครื่องดื่มก็อยากจะดื่มขึ้นมาวิธีที่แก้ก็ต้องคิด ตรงกันข้ามกันเวลาคิดถึงขนมก็ต้องคิดถึงขนมเวลาที่มันออกจากร่างกายเราไปแล้วหลังจากที่เรากินขนมแล้วเราถ่ายมันออกมาแล้วถ้าเราเห็นขนมในขณะที่มันออกมาจากร่างกายเราเราก็จะได้ไม่อยากจะกินขนมเราอยากจะดื่มเครื่องดื่มล้วก็คิดถึงเวลามันออกจากร่างกายเราเวลาเราขับปัสสาวะออกมา นี่แหละคือเครื่องดื่มที่เราดื่มเข้าไปเป็นอย่างนี้ถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็จะหยุดความอยากที่จะดื่มได้หยุดความอยากที่จะกินขนมได้หรือไม่ฉะนนั้นก็อย่าไปคิดถึงมันเลยพยายามคิดเรื่องอื่นพอจะคิดถึงขนมก็ให้ไปคิดเรื่องอื่นแทนเช่นให้คิดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แทนให้สวดไป อาหังสัมมาสวัาขาโตสุปฏิปันโนหรือจะให้ท่องพุโทโธธัมโมสังโฆไปเรื่อยๆก็ได้เพราะเราท่องพุโทโธธัมโมสังโฆไปเราก็จะไม่สามารถคิดถึงขนมคิดถึงเครื่องดื่มได้เราก็จะไม่เกิดความอยากที่จะกินขนมหรือดื่มเครื่องดื่มหรือถ้าเราคิดถึงคนคนที่เรารัก อยากจะอยู่ใกล้เขาอยากจะร่วมหลับนอนกับเขาถ้าเราไม่สามารถคิดถึงส่วนที่ไม่สวยงามของเขาได้ฉันคิดถึงโครงกระดูกของเขาคิดถึงหัวใจตับไตลำไส้คิดถึงสิ่งสกรปรกที่ออกมาจากร่างกายของเขาถ้าเรายังไม่สามารถคิดได้ก็ให้คิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปก่อน ต้องพุโทโธธรรมโมสังโฆไปก่อนเพื่อที่เราจะได้ลืมคิดถึงเขาพอเราไม่คิดถึงเขาแล้วความอยากที่จะไปร่วมหลับนอนกับเขาก็จะไม่มีความว้าเหวความเศร้าส้อยหงอยเหงาก็จะหายไปความว่าเหวนี้เกิดจากความอยากที่จะมีเพื่อนอยากจะอยู่ใกล้เพื่อนอยากจะมีความสุขกับเพื่อนจึงทำให้เราว่าเหวเวลาที่เราอยู่คนเดียว แต่ถ้าเราสามารถหยุดคิดถึงเพื่อนได้หยุดความอยากที่จะไปอยู่กับเพื่อนไปหาความสุขกับเพื่อนได้ความว้าเหว่ก็จะไม่มีวิธีที่จะแก้วความว้าเหว่ก็คือให้คิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้สวดอรหังสัมมาสวัสดขาโตสุปฏิปันโนไปสวดไปหลายๆลรอบสวดไปเรื่อยๆจนกว่าความอยากความคิดที่จะไปหาเพื่อนมันหายไป แล้วใจเราเย็นใจเราสงบเราก็หยุดส่วนได้ถ้ายังคิดอยู่ยังอยากอยู่ก็ต้องส่วนไปเรื่อยๆหรือไม่เช่นนั้นก็ต้องคิดถึงส่วนที่ไม่สวยงามของคนที่เราเพื่อนของคนที่เราอยากจะไปร่วมหลับนอนด้วยคิดถึงตับไตไส้ทูลของเขาคิดถึงอุจจาระปัสสาวะของเขาอย่าไปคิดที่หน้าอย่าไปมอย่าไปคิดที่หน้าตา คิดในส่วนที่ไม่สวยเราชอบไปดูส่วนที่สวยเราก็เลยเกิดอารมณ์คล้ายเกิดอารมณ์อยากขึ้นมาแต่ถ้าเราไปคิดในส่วนที่ไม่สวยเราก็จะระ ง, งับอารมณ์คล้ายอารมณ์อยากได้นี่คือวิธีปฏิบัติเพื่อชำระความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปได้ ถ้าเรายังไม่สามารถคิดได้เราก็ใช้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นเครื่องระ ง, งับดับไปชั่วคราวก่อนท่องพุโทโธไปทำโมไปสังโคไปท่องสวัสขาโตสุปฏิปโนไปแล้วใจของเราก็จะว่างจะเลิมเรื่องต่างๆที่เราอยากจะได้พอใจเราว่างแล้วเราก็จะสบายไม่วุ่นวายไม่ต้องไปดินลน หาสิ่งที่เราอยากได้แล้วเราก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาว่าต่อให้เราได้มามากน้อยเพียงไรถ้าเรายังไม่หยุดความอยากเราก็ยังจะต้องวุ่นวายต่อไปไม่มีวันสิ้นสุดสิ่งที่เราได้มานี้ไม่สามารถดับความวุ่นวายใจดับความอยากของเราได้สิ่งที่จะดับความอยากของเราได้ก็คือการดันลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ หรือการมองความจริงมองให้เห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้นั้นไม่สามารถมาดับความทุกข์ภายในใจให้กับเราได้แต่กลับจะทำให้เราเกิดความทุกข์เพิ่มมากขึ้นเพราะเราจะมีความอยากมากขึ้นนั่นเองดั่างนั้นนี่คือวิธีที่จะทำให้ใจของเราสะอาดบริสุทธิ์เมื่อใจของเราสะอาดบริสุทธิ์แล้ว เราก็ไม่ต้องไปเหนื่อยกับการหาสิ่ ง, งต่างๆมาให้กับเราหามาได้เท่าไหร่ก็ไม่มีความอิ่มไม่มีความพอหาไปต้องหาไปจนวันตายพอตายแล้วก็ต้องไปเกิดใหม่เพื่อที่จะได้กลับมาหาใหม่อีกเวลากลับมาเกิดก็ต้องมาทุกข์กับการแก่การเจ็บการตาย ต้องมาทุกข์กับการพลาดพาดจากสิ่งที่เรารักไปทุก ส, สิ่งทุกอย่างที่เราหามาถ้าเป็นท่าบตาย mm hmm. เหลือเวลาเราตายไปเราก็ต้องจากเขาไปหมด mm hmm. เงินทองได้มามากน้อยเพียงไรตายไปก็ต้องจากเขาไปตําแหน่งที่ได้มาสูงขนาดไหนตายไปก็ต้องจากเขาไปเอาอะไรไปไม่ได้เลยเอาไปแต่ความหิวความอยาก ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ต้องไปเกิดเป็นเป็นขอานท า, ญญ า, ขอานทางจิตวิญญาณขอทานทางจิตวิญญาณนี้มีชื่อว่าเปรตเขาเรียกว่าเปรตเปรตคือพวกที่มีความหิวโหวยอยู่ตลอดเวลาเวลาที่เป็นมนุษย์มีโอกาสทําบุญเพื่อให้มีความอิ่มก็ไม่ทํากันจะเอาแต่ได้อย่างเดียวจะเอาแต่เงินจะเอาแต่ตําแหน่ง จะเอาแต่ความสุขทางต า, งางหูจมูกลิ้นกายก็เลยไม่สนใจที่จะทำบุญทำแต่บาปเพื่อที่จะให้ได้สิ่งที่ตัเองอยากได้มาพอตายไปใจก็เลยต้องไปเป็นเปรตต้องมาเป็นขอทานมารอรับส่วนบุญของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เช่นบางทีก็มาเข้าฝันขอสิ่งนั้นสิ่งนี้ ถ้าเรานอนหลับเล่าฝันไปถึงคนที่ตายกันลว่าขอสิ่งนั้นสิ่งนี้แสดงว่าเขามาขอส่วนบุญของเราตามธรรมเนียมก็ถ้ามีคนตายมาเข้าฝันเราก็มักจะทำบุญกันทำบุญแล้วก็กรวดนะ้าอุทิศส่วนบุญให้กับเขาไปแต่ถ้าเราทำบุญอยู่เรื่อยๆตายไปเราก็ไม่ต้องมาเป็นขอทานมาขอส่วนบุญ เพราะเราจะไปเกิดเป็นเศรษฐีเราจะเป็นเทพเป็นพรหมการเป็นเทพเป็นพรหมก็จะทำให้เรามีรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์มีของทิพย์มาบำรุงรักษาจิตใจให้มีความสุขตลอดเวลานี่คือเรื่องของบุญและบาปและเหตุผลทำไมเราจึงต้องมาสร้างบุญสร้างบาปกัน ทำบุญละบาปกันก็เพราะว่าเป็นสมบัติของเรานั่นเองเวลาตายไปเราจะได้มีสมบัติติดตัวไปด้วยถ้าไม่เช่นนั้นเราตายไปแล้วก็ต้องไปใช้กรรมบ้างไปตกนรกบ้างไปเป็นเปรตบ้างไปเป็นเดรัจฉานบ้างซึ่งไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่าปรารถนาเลยสิ่งที่น่าปรารถนาก็คือให้เราได้ไปเป็นเทพเป็นพรหม เรได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีฐานะร่ำรวยกว่าเดิมมีความมีรูปร่างหน้าตาสวยงามกว่าเดิมมีสติปัญญาฉลาดแหลมคมกว่าเดิมนี่เป็นผลที่จะเกิดขึ้นจากการทำบุญไม่ทำบาปและถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดเด็กเลยเราก็ต้องชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ ถ้าจของเราสะอาเบริสุดแล้วเราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดเด็กต่อไปเราจะมีแต่ความสุขไปตลอดเพราะเป็นความสุขที่ไม่มีวันเสือ่อมมันไม่เป็นเหมือนกับของพรหมหรือของเทพของพระพุทธเจ้านี้ไม่มีวันเสือ่อมนิพพานนี้ไม่มีวันเสือ่อมเป็นปรมังสุขขันตลอดเวลาเป็นความสุขตลอดเวลาเพราะไม่มีความหิวไม่มีความอยากต่างๆ อยู่ภายในใจนั่นเองความหิวความอยากนิลาที่ทาให้เราไม่มีความสุขกันเวลาเราอยากได้อะไรนี้สังเกตดูใจเราจะกระวนกระวายกระสับกระส่ายกินไม่ได้นอนไม่หลับวิตกกังวลและเวลาไม่ได้ก็เสียอกเสียใจเวลาได้ก็ดีใจเพียงเดียวเดียวแล้วก็อยากจะได้ใหม่แล้วเช่นตอนนี้เป็นนาวาเอก พอได้เป็นในพลตรีก็ดีออกดีใจฉลองกันไปเดือนสองเดือนทีนี้ก็อยากจะได้เป็นในพลโทแล้วความสุขที่ได้จากการเป็นในพลตรีก็หมดไปแล้วทีนี้ก็เกิดโคลความกังวลกวาดกระสับกสารอยากจะเป็นในพลโทอีกต่อไปนี่คือเรื่องของความอยากเป็นเหตุของความทุกข์ใจไม่ใช่เป็นเหตุของความสบายใจ และเป็นเหตุของการที่จะไปทําบาปต่อไปคนที่อยากจะได้อะไรมากๆนั้นมักจะไม่คํานึงถึงถึงผลของการกระทําบาปจะไม่กลัวบาปเพราะคิดว่าตายไปแล้วสูนย์นั่นเองเขาไม่รู้ว่าใจนี้ไม่ได้เป็นร่างกายใจนี้เป็นมนุษย์น่องผมเราไม่สามารถมองเห็นใจได้แต่ใจนี่แหละเป็นผู้ที่ ไปครอบครองร่างกายเช่นร่างกายของเราตอนนี้เรามีใจเป็นผู้ครอบครองเป็นผู้สั่งกายเป็นผู้สั่งให้ร่างกายของเราทำอะไรต่างๆพอร่างกายเราตายไปแล้วใจของเราไม่ได้ตายโดยกับร่างกายใจของเราก็ต้องไปต่อถ้ายังมีความอยากแล้วถ้าถ้ามีบุญก็ไปสูงถ้ามีบาปก็ไปต่ำ แต่คนที่เขาไม่เคยเข้าหาพระพุทธศาสนาไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมเขาก็จะไม่รู้ว่าตัวเขานั้นไม่ได้ตายไปกับร่างกายตัวเขานั้นเป็นมนุษย์ล่องหนไม่มีรูปไม่มีร่างมีแต่ความคิดมีแต่ความคิดที่จะสั่งให้ทําอะไรต่างๆถ้ายังไม่สามารถหยุดความคิดดับความอยากที่เกิดจากความคิดได้ เวลาตายไปก็ต้องไปเกิดเมื่อทำบาปก็ต้องไปใช้กรรมถ้าทำบุญก็ไปรับผลผมผลบุญนี่แหละคือความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสั้แล้วนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราที่ยังเป็นพวกหูหนวกตาบอดอยู่ยังมองไม่เห็นเหมือนกับคนที่ตาดีทั้งหลายก็เห็นกันไม่เชื่อลองหลับตาลู ถ้าตอนนี้เราหลับตาเราจะมองไม่เห็นอะไรเลยเราจะไม่รู้ว่ารอบตัวเรานี้มีอะไรบ้างแต่พอเราลืมตาเราก็จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างพระพระพุทธเจ้าได้ทรงเปิดพระเนตรของพระองค์แล้วได้เปิดตาแล้วด้วยการปฏิบัติธรรมด้วยการชำระกิเลสตัณหาที่เป็นเหมือนความมืดบอดที่หุ้มห่อจิตใจพอสามารถชำระ กิลสตัณหาให้หมดไปแล้วก็สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้หมดเห็นร่างกายเห็นจิตใจเห็นภพชาติที่จิตใจต้องไปเกิดต้องไปต้องไปเป็นเห็นภพชาติที่ผ่านมาแล้วในอดีตเห็นได้หมดเเหมือนกับเราตอนนี้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเราเห็นทั้งข้างหน้าเห็นทั้งข้างหลังเพราะเราลรมตตาแต่ถ้าเราปิดตาเราจะมองไม่เห็นอะไรเลย ดังนั้นขอให้พวกเราจงเชื่อบุญเชื่อบาปเชื่อพระพุทธเชื่อพระธรรมเชื่อพระสอพระสงฆ์ที่สอนให้เราเชื่อบุญเชื่อบาปให้เราเชื่อกดแห่งกรรมว่าทำดีได้ดีทำเชั่วได้เชื่อทำดีได้ไปสวรรค์ได้ไปนิพพานทำชื่อก็ต้องไปอบายไปเกิดเป็นเปร เ, เป็นเดรัจฉานไปตกนรกถ้าเรามีความเชื่อละเราก็จะได้ทำความดีละบาป และชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์และเราก็จะได้ไปพบกับพระพุทธเจ้าพบกับพระอาหารหันต์ทั้งหลายที่รอเราอยู่ตอนนี้จึงขอฝากเรื่องของการมาทำบุญละบาตชชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี้ให้ท่านได้นำเอ า, าไปปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดที่จะตามมาต่อไป